เลื่องรานทีรักและบรรดาท่านผู้ติสารก็ได้จะชุนมาหลายเช่วันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตในวันก่อนได้มายับยัง้งลงตอนที่พระเจ้าวิทธราชบระมกษัตริย์และพรนนางอุทุมพร ในจัดการแต่งงานคือเปงคนสมริชย์ก็ในการแต่งงานอย่างสมเกียรติความจริงนางอมอ น, นีหรือว่านางสาวอมอก่อนเป็นลูกชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าแต่กุลเดิมเขาเป็นแต่กุลเศรษฐีใหญ่การธรรมดาแต่กุลเศรษฐีสมัยนูน้นเขามีระเบียบมีประเพณีดิวกันในเรื่องในาการาาปฏิบัติ การเลือกคนสตรีสตรีที่มีตะโกนสูงเขาจะต้องวางตัวให้เหมาะสมถึงแม้แม้ว่าสตรีที่มีตะโกนธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านธรรมดาเราเขาก็มีแบบพีนีดึงเครื่องปฏิบัติเขาเก็ดเนื้อเก็บตัวไม่เป็นเดินครงแขนคงคู่กับใครที่ไหนด้วยนั้นว่ารักษาความดีของตนไว้ เอาว่าสตรีจะมีรูปเป็นทรัพย์อต่สตรีย่อมมีจริยาเป็นทรัพย์สตรีคนไหนมีมัญญ่กจริยาดีสตรีคนนั้นก็มีค่ามากแต่สมัยก่อนเขาคิดกันอย่างนั้นนะตอมความรู้สึกจะรู้สึกว่าผู้หญิงสาวสาวนี่สมัยไม่ต้องปูกเป็นนมบางทีมี่ไปชอบใครแล้วเข้า ก็นัง่งแต่เงื่อนไปแต่เงืมาบางทีต้องสองสามปียังไม่มีโอกาสจะพูดกับเขาเลยเขาไม่ยอมจะพูน ด, ด้วยบางครั้งเขาก็ชอบเหมือนกันแต่เ้าว่าอาศัยประเพณีเป็นเครื่องมือครับทำให้เขาต้องเก็บตัวไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกในเพศความต้องการมีอยู่แต่ว่าประเพณีมิกิกัน แต่ว่าคนประเภทนั้นก็กลายเป็นคนที่มีค่าใครๆก็มีความปรารถนาถ้าสตีใดเป็นคนใจบุญโดยทิ่ตนไใครในที่สุดคนประเภทนั้นก็ต้องชำใจเพราะะใครเขาผ่านไปเทือถือว่าคนนี้ไม่มีศักไม่มีสีก็เรียกว่าคล้ายๆกับลูกปิงปองและอพวกผ่อนที่เตะเล่นเฉย ผ่านไปดีไม่ดีตั้งคันกัมนมาแล้วก็หาพ่อไม่ได้ไม่มีใครรับถ้าะว่าผู้ที่จะมารับเป็นพ่อเด็กก็ไม่แน่ใจว่าตัวจะเป็นพ่อจริงๆแล้วใครเขาเป็นพ่อก็ไม่ทราบดีไม่ดีจะ ก, กลายไปตัวลูกคนอื่นมาเป็นลูกของตนนี่ลูกหลานที่รักทุกคนถ้าเป็นสตรี สงวนตนไว้จะมีค่าดีกว่าเป็นคนใจดีเท่านคนใจบุญเมื่อมีใครปรารถนาในการมารุมก็ให้ได้ทุงความปรารถนาที่เขาต้องการนั่นแหละความช้ำใจมันจะเกิดขึ้นก็ได้ว่าร่งเบียบประเพณีนี้มันผ่านไปเพราะว่าเวลานี้คนไทยกลายเป็นฝรัง่ง ได้ว่าคนที่ดีเขาก็มีมากไม่ใช่ว่าเจ้ิเวติเขาทุกคนนะแต่ว่าเพนีนีมติดเ่อต้องไปพูดมุงถึงว่าในสมัยที่เราโปล่ยังเป็นหนุ่มยังเป็นหนุ่มเนี่หาสาวรักที่ยากแต่พอบางทีเราตกลงกันได้ถามเขาว่าในสมัยปีก่นกอนทั้งเรื่องเกิดชื่อกันไปชื่อทรมานมาสามสี่ปี เพียงแค่มองตากันเขาเข้าใจว่าสาวเจ้านี้มีความพอใจแต่โอกาสที่จะพูดกันไม่ได้ถามมาทําไมจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกเขาอายจะพูดด้วยเขาก็อายแต่ความจริงใจเขาอยากจะพูดใจเขาอยากจะคุยใจเขาอยากจะมาพบแต่เรื่องแบบนี้มีบังครับ อนเรื่องก ร, รณีบังครับในคนเนี่นก็อยู่ในประเพณีก็เป็นที่สนใจหมือนว่าขอสิ่งใดก็ตามถ้าเขาเก็บเขาปิดเขาหมั่นเราก็อยากจะรู้อยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ของนี่เขายิ่งหงเราก็ยิ่งอยากได้ชั้นใดเมื่อคนเราก็เหมือนกันถ้าสตรีคนใดเขามีความหงแหนในความเป็นคุณสตรีของเขาเราก็อยากได้ามากขึ้น ก็เห็นว่เป็นคนมีค่าถ้าว่าสตรีคนใดไม่สงนตัวก็ตีประเทศนั้นเราเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเป็นอว่าเล่าเรื่องของมโหสถต่อไปให้ชาวบรรคอต่างภ า, า ก, กันจ่ายของขวัญมาให้เมื่อในการสมรสเขาระหว่างมโหสถบัณฑิตกนามอนเทวีนี่วันนั้นมาจบตรงตรงนี้นะ ตอนที่นามมอ น, นำของขวัญทั้งหมดไปสงเคราะห์คนจนสำหรับอโอโหสดกับนา ม, มอนี่อยู่ร่วมกันอย่างพาสุกตลอดมาแบบนี้ก็สุขแน่เป็นคนยิหลาดตั้งคู่ทำไมจะไม่สุขและอโอโหสดก็ได้รับประเยการณ์เป็นไปเป็นที่โปรดปรานแกพระเจ้าวิเทหนาดเป็นอย่างมาก ตอนนี้ตามบทความท่านบอกว่ามโหสถผายจนกรรมนี่งรุนแที่รักจงจำไว้นะว่าขึ้นชื่อว่าความดีมันมีความชั่วก็ปรากฏความสุขมีความทุกข์มันก็ปรากฏสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันนินทากับสนเสริญเป็นของคู่กันอันนี้คือโมโหสดทาไมจะไม่มีกรรม เพาะว่ามโหสถเป็นหลิดเป็นบัณฑิตแี่ก็เป็นเด็กเป็นคนเฉลลาดเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่ตนนั่นมันก็อิจฉาดิสิยายิ่งพระราชารักมากเท่าไรมันก็อิจฉามากเท่านั้นมี่ความเลยยำอย่างเจ้าเสนกเป็นตนมันลูกหลานที่รักจงอย่าเอา จงอย่าคบหาสมาคมแจงอย่าเป็นตัวอย่างจําไว้แต่ว่าใจจะปฏิบัติตามนั้นจําไว้ว่า ก, การกระทาอย่างนี้มันเป็นความชั่วการอิจฉาหรือเสียเขาอดตัวอิเสกัเขาใครสู้ใช้มันฉันไม่ได้แต่เวลาเวลาทำอะไรผู้อย่างก็สู้มโหสถไม่ได้สักทีแต่ว่าเจ้าเท่าอภีตัวนี้มันก็ไม่รู้สึกตัวของมัน มันก็ทํานองตนตัวว่าเป็ิเสธ็สามารถจะทําประเทศชาติได้คิดหายมบรรลัยไปได้มันก็ยังไม่รู้ตัวก็มันดูเรื่องราวต่อไปว่าเจ้าเท่าสารพัดชิดสี่คนนี้มันคิดอะไรเกิดขึ้นในภายหลังต่อไปขณะมันก็นาขายประเทศทําลายประเทศคิดขบคิดตรยศตบรรดาประชาชนธรรมเทศ มีความเลยๆอย่างนี้ลู่หลานที่รักอย่าหลงครมมันนะคนอย่างเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษคนทุจริตประเภทนี้มันมีอยู่ทุกสมัยระวังถ้าใครเขามากโกหกลู่โกหกหลานว้าเขามีความสามารถอย่างนั้นเขามีความสามารถอย่างนี้ ถ้าฉันไม่เป็นนายกและทนตรีฉันนี่เป็นรัฐมนตรีจะสร้างนน่นสร้างนี่ทำนั่นซึ่งมันเกินนิสัยของคนแล้วก็ลูกหลานทัง้งหลายอย่าไปเชื่อเขาคนมัวประเภทนี้ไม่ใช่คนดีหวังประโยชน์ใส่ตนทางนั้นเพราะนั้นว่าเรามาคุยกันต่อไปว่าถึงกรรมของโบสุม่โสุตนะ โมโหสดไปจงกรรมทิ้งกล่าวว่ามาอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์เสนอก็ได้ปรึกษากับอาจารย์เท่าสามว่านี่เอาแล้วไหมละ่ะให้เท่าสรารพัดพิษเริ่มแสดงฤทธิ์เริ่ ม, มพ่นพิษใหญ่พวกเราทั้งสี่คนตั้งแต่โมโหสดมาอยู่ในราชสำนักพวกเราทั้งสี่คนว่าับเฉาลง ความมุ่งโรดในสมัยก่อนที่มีมาเวลานี้คล้ายๆกับว่าสมัยก่อนเราเป็นคบเพลิงที่มีแสงสว่างแต่เวลานี้แสงของเรามันริบหรี่คล้ายๆกับเทียนจะดับใช่ไหมความมุ่งเรืองของเราไม่เหมือนกับมโหสถเขา เขามาอยู่ว <Jamie>, ่าเดี๋ยวเดียวหมาในวัวด้ช้างได้ม้าในบ้านใหญ่ๆหดือนละวันเสมอๆงานแบบนี้เราแย่เวลานี้เจ้าโฮสต์ก็ได้เมียมาแล้วเป็นเมียที่ฉันหลาเช้นด้วยเอาหาไม่ได้ตนเองแต่กลัวว่าทั้งผัวและทั้งเมียก็เป็นคนฉัหลาดด้วยกันนะครเราเห็นเนี้ย เห็นทีหน้าก็จะแ ย, ย่ลงไปแล้วแค่นี้แย่แน่ไท้นั้นก็เราหาทางต้องหาทางกำจัมดมโหสถกนาหมอนให้ได้ถ้าเราไม่มีไม่หาทางกำจัดมันให้ได้เราก็เจ๊งเวลานี้มันร่อแร่จะขาดใจอยู่แล้วเมื่อทิ้งกล้จะดับ ก่อนนี้โอ้โหพวกเราในพระนครเพลิงพาชาสนเสริญเยินยอยยกย่องศักดิ์สิใหญ่ใครๆก็สู้เราไม่ได้แต่ว่าเจ้าเด็กยังไรคนนี้เข้ามาในเราดับมูกไปทันทีเอาไว้ไม่ได้นี่ต้องจัดการเห็นไหมนี่ไอ้เท่าสารพัดพิษสี่ตัวในมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนประเภทนี้มันมีในประเทศไทยที่ไหนบนรบรณาป่าก็ไม่ทา คนไครทำอะไรก็เอาดีไม่ได้สู้ฉันไม่ได้ฉันขึ้นมาเมื่อไรก็รที่ชาติจิภายเมื่อนั้นฉันก็ยังดีงนั่นแหละไม่รู้สึกตัวเขาระเพศนี้จะมีอย่างหรเปล่าไม่ทราบในประเทศไทยนะไ ป, น, ปนัังกันต่อไปว่าอาจารย์นะัสานิธรรมถามก็ตเสนกากรณีแล้วก็พี่จะทำยังไงละ ทำยังไงถึงจะกำจัดจเจ้าสองคนผัวเมียนี้ออกไปจากราชสานักได้ในเสนนกพวกเป็นหน้ากระบอกว่านี่หนึ่งพวกเราพวกเราพวกท่านอย่าวิตกสิเราในฐานะที่เป็นมหาบัณฑิตใหญ่เราสามารถจะทำอะไรก็ได้ใครเขาทำมาดีที่ไหนเราด่ามื่อไรเราก็ด่าได้ เยืะอย่างในแข้งใส่ยุอห์รามตมิโรเราทำมาแล้วทุกอย่างสําเร็จแม้แต่พระราชาเองก็เป็นคนที่มีความรู้ไม่เสมอเราเราเป็นครูบาอาจารย์มาเราเรียนสำเร็จปริญญาตามประเทศโอ้โหหลายอย่างรอบตัวได้ว่าพระเจ้าจเหนือหัวมีความรู้สู้เราไม่ได้ไม่แน่เท่าเรา เราเคยใช้กุลมายต่างๆเอาเงินมาสมาครมาแล้วแต่เรื่องที่ปะติ๋วเท่านี้เนี่ยเพื่อนรักไม่หนักประเดียวประเดี๋ยวจะบอกให้มันเรื่องเล็กๆท่านานาสามีท่านกามินเทวินเป็นตนจะน่ถามว่านี่อุบายขอ้อาจา์เนะี่ยมันมีอะไรนะ ยังโมไปฟงแม่เราอยากจะรู้นะฟงอยู่นั่นแหะเสียเวลาท่านเซนนกจอมเกรเกรจะ เ, เท่าสรารพัดพิษหัวหน้าเท่าสรารพัดพิษเจ้าได้บอกความคิดฝันนี่ท่านสามคนเนะี่ยต้องรวมมือกฉันนะ่ะมันจึงจะสำเร็จถ้าหาว่าไม่ร่วมมือไม่สำเร็จเรามันต้องลอ่มโฮ มันจนก็จนดีกันลอยก็ลอยดกันกดีก็ดีด้วยกันเชื่อก็เชื่อด้วยกันไอ้เด็ดแท้นได้ตัวเล็กๆปากจะไม่สิ้นกิ่นน้ำนมถึงแม้ว่ามันจะฉลาดเพียงใดก็ตามทีแต่ว่าประสบการณ์ของมันยังไม่มีเรานี่เป็นคนสองผมแล้วนะผมดำมกลายมาเป็นขาว อายุยาวแค่นี้ประสบการณ์เราดีกว่ามันต้องจัดการกันไม่ได้แต่ว่าท่านนังสามคนต้องช่วยนะมันจะสําเร็จท่านทังสามบอกว่าเอาเอาไงก็เ อ, เอากันขอให้ท่านอาจารย์บอกเถอดไหนลองบอกมาที่นี่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราจะทํำยังไงมันถึงจะสําเร็จท่านบอกมาขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้ายว่ากันไป จะให้ด่าใครล่ะจะตะเลาะกับใครจะอวดดีที่ไหนจะอดเด่นที่ไหนบอกมาเลยทำได้ทุกอย่างอย่างนี้เ็เราขุนคลอยพยักแล้วไม่มีปัญญาอาจารย์เซโนโกินกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราจะลักพาเราจะลักพาจุลามณี นี่ใลักคาจุลามณีสัพสะบริวาย่างนก็คือขโมยว่าเราจะขโมยจุลามณีจุรามณีนั่ น, ล น, นลหลละนีรักก็คือปิน่นเมื่อก่อนนี่เ้าไว้จุกเขาก็หมดที่จุกแล้วก็มีปินน่นแหลมๆตอนปลายเป็นปุ้มๆทำในตองคำ ท่านบอกของมะลาชาเขาปาะดับในแก้วมณีเสียบปทิผมัน้็เรียกว่าปิ่นนะแต่เขาเรียกตามภาษาลิวจุลามนีคือปิ่นถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่นะแล้วคุณปู่คุณย่าก็ได้ถ้าคุณแม่คุณพ่อยังสาวยังน่มอยม่ที่ไม่รู้หรอกก็ต้องถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านรู้ว่าปิ่นเป็นยังไง เป็นว่าเราจะขโมยปิน่นแ้วถ้าบุบกปกษะจงเข้าเปินทองคำนี่น่ะถ้าปินทองคำาแลนไมเราะเราดอกไม้ทองคำก็ไว้ทองแล้วก็ท่านกามินจงึงขโมยผ้ากำพลคลุมเพราะว่าถ้าท่านเทวทมนี่ ใไเขาว่ายัางไงนะเพื่อเราจะรักปิ่นนะรักจุลามณีถ้าภุกระจะจงรักกะไรรักสวนมาลาคือดอกไม้ทองคำนะแล้วก็ท่านกามินจงรักผ้ากำพลที่คลุมแท่นพระวันทมท่านเทวินจงรักฉลองข้ามา ท, ทองคำนอะขโมยขโมยรักขโมย แล้วก็นําราชคาอนทั้งสี่คำว่าราชคอนหมายถึงเครื่องประดับของพระราชาสี่อย่างนี้เอาไปไว้ในเรือนของมโหสถตบ้านเขามโหสถเมันใหญ่โตโมโหลานมากพระราชาพระเจ้ทันเราจะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เอาไปแอบแอบซ่อนเอาไ ว, เาไวเา้เมื่อสําเร็จแล้วตางบานี้เมื่อทําต่างบานี้สำเร็จ พระราชาเขาจะต้องลงทันมโหสดอย่างหนักเพราะถือว่าขาโมยของหลวงโอโหเอาเอากทังคืนขั้นประหารชีวิตหนี่งแม่ผูท่านดีเห็นก็เราด้วยไหมได้ทำแบบนี้อาจารย์นำสารก็รับว่าอุบายานี้ดีจริงๆโอโหดีมากดีมากอาจารย์นี่เราจะลงมือขโมยกันอะไรล่ะ อาจารย์บอกวันนี้กาหมดเมื่อไรบอกมาเลยเอากันนะดีแล้วไอ้เจ้านี่มันหักหลังแเราเรานำมันเข้ามาน้อยเนี่ยมันก็มาดึงกับเรานี่ไม่ได้เราไม่ต้องหนึ่งในตองโออาจารย์เสนอจงบอกม า, ายอย่างอื่นๆให้อาจารย์ท่านสามรับรู้เป็นอย่างดีแล้วไม่ความณัฐวิธีนนวิธีที่เข้าไปเอาของ ตนเองก็ไปนำจุลามณีคือปิ่นมาใส่ไว้ในหม้อเอี่ยทำไวนะ้เแต่หม้อเปลีย่ยนให้หม้อเปลียปล่ยนเป็นไงผมปลูกก็ไม่รู้ให้สาวใช้นําหม้อเปลี่ยนนั้นไปขายอถ้าพร้อมเขาสั่งว่าเจ้าจงนําหม้อเปลี่ยนนี้ไปขายแต่ว่าอย่าขายคนอื่นนะถ้าคนในบ้านเขาว่าโคสดซี เจ้าจองยกให้ทั้งหมอเลยให้เปรียนี่ก็น่าควาจะเป็นของกินน้งโปูไม่รู้จักเหมือนกันแต่บ้านอื่นซื้อไม่้ขายถ่าคนในบ้านหมสดซื้อให้ยกไปเลยให้ไปเลยทั้งหม้อทั้งของที่หรักสาวใช้ก็ตรงไปที่บ้านงมอสถร้องขายของ เอขายเปรียงเจ้าค่ะเอ้ยแม่เอ้ยบ้านนี้จ๋าข่ยอยู่บ้านจ๋าชั้นเปลียงมาขายเจ้าค่ะเดินกลับไปกลับมาว้นอยู่หน้าบ้านมโหสถทําไมก็ไม่ไปไหนขายมันบ้านเดียวอ่ะสำหรับนาโมนยินดีในที่ประตูเห็นเม่ค้าขายเปรียนเดินกลับไปกลับมาอยู่ชั้นนี้ก็นึกในใจว่าเออ แม่ค้าขายของขเปลี่ยนเนี่ยมันเดินอยู่ที่เดียวจย่างประตูบ้านของเราในอินไปที่อืน่นน่าจะมีเลตในอะไรอยู่นางเป็นคนนี้เป็นยาเพราะนี่มันต้องมีเบื้องหลังแล้วมันไม่เกิดมันไม่จะตรงไปตรงมาขายเฉพาะบ้านเราบ้านเดียวนี่ลูกหลานจะให้ดีนะ ถ้าใครเขามาเวียนไปเวียนมามาหาเาอาบ่อยคนอื่นไม่ไปแต่มาทีว่าทาดีกับคนอื่นแต่ถ้า ว, ว่ากลับมายกรขันยองขันเคยแล้วว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก็ระวังระวังระวังมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งดี่เขาจะหักหลังเราแล้วเอาเปรียบเราจึงระวังให้ดีใช้ปัญญาดูดูตัวอย่างนามอนนะ นังเห็นอย่างนั้นแล้วยังสงสัยยังเรียกแม่ค้าเปรี่ยงมาแล้วก็ถามว่านี่ถ้าฉันจะซื้อเปลี่ยนนะถ้าฉันจะซื้อเปลี่ยนนี่แม่ค้าจะฉันจะไม่ได้เอาเงินติดตัวมาด้วยแต่ว่าเธอน่าจะช่วยไปเรียกสาวใช้ให้มาหาฉันสักคนหนึ่งได้ไหม นี่เป็นว่านี่ก็คนชั้นหนึ่งเหมือนกันดูให้ดีนะเมื่อสงสัยว่าใหญ่เนี่กรรมาขายจะพอบันเราเธอยังเขาเลยถามว่าไอเรียงที่เธอจะซื้อจะขายเนี่ยจ้ะฉันจะซื้อแต่ก็บังเอิญจริงๆฉันไม่เอาฝาตังมาเธอไปเรียกคนใช้ฉันสักคนเถอะแต่ฉันจะได้ให้เขาไปจิตตังมาให้และ่วล่ะ เมื่อแม่ค้าเปรียปปร่ยนจะไปแม่ค้าเปลี่ยนนี่จะไม่เรื่องไม่รู้เราไอ้เจ้านายขอร้ายสุขบันนี้นั้นแต่เธอไม่รู้เขาสั่งไปยังไงเธอไปอยังนั้นแม่เมื่อแม่ค้าเปรี่ยนก็นรับปกได้จ่ะได้จ่ะนี่เมื่อแม่ค้าเปรี่ยนก็นเดินไปแล้วนางจึงได้ล้วงลวงไปนีนมอบเปลีนน่งนก็พบเจอลาโมนีแล้วก็ใส่ไว้ตามเดิม พอแม่คาเปลี่ยนกลับมานายิยถามว่าแม่ค้าจ๋าเธอมาจากไหนจ๊ะไพ่แม่ค้าเปลีย่ยนระบว่าดิฉันเป็นสาวใช้ของท่านเสนนกเจ้าค่ะน้ามานยินถามว่าบิดามารดาของเธอนะถ้าเมื่อเธอฮะเอาใจอัน เ, เ, เดียวก่อน นามวรยนถามชื่อวีดาลมันดาเขาไม่ค่าเปรี่ยนน่ค่าเปรี่ยนนั้นก็ตอบแบบซื่อสันส้นะตอบไปตามความเป็นจริงว่าพ่อชื่อไรแม่ชื่อไรบ้านอยู่ที่ไหนตัวเธอชื่อไรแล้วก็หมอเปรียนที่นี่ทันเซนนกใา้มาขายเขาบอกว่าบ้านอื่นขายซื้อก็อย่าขายให้ขายได้เฉพาะบ้านโมโหสถมันเดียว แม่กเธอถามต่อไปว่าเปลียงนี่เธอจะขายเท่าไหร่จ้าแม่คาเปลียงแะแต่ว่าเท่าราคาข้าวสี่ธนนานเจ้าค่ะน้าบอลนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันรับซื้อนะจ้าไม่เป็นไรราคาไม่แพงนะจ๊ะแม่เปลียงเนี่ยมันของหายากนะแม่รูู้ก็ไม่รู้ว่เปลียงเป็นยังไงนะถามคุณพ่อกัณแม่ดูนะจ๊ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านบอกก็ไม่รู้แล้วก็บอกให้ไปเปิดท่านไปเปิดประธานนกรมภาษาไทยดูนะว่าเปลี่ยนคืออะไรต้องปูกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูมาฝ่ายแม่ค่าเปลี่ยนคำถามว่าถ้าหากว่าแม่จะรับซื้อก็ขอให้ไว้ทั้งหมดทั้งม่อเลยเจ้าค่ะที่ฉันไม่คิดราคาเพราะว่าท่านเสียนลกท่านสั่งมาอย่างนั้น ท่ามบอกาถ้าที่บ้านนี้ซื้อแล้วก็อย่าเอากตะเพียงให้ไปนะให้ยกไปทั้งหมอ้อเจ้าค่ะพ อ, อน้าอมรก็ตกรองรับหม้อเปลียงไว้ทั้งหมอ้อและแม่ค้าก็กลับไปนาอมรได้บันทึกเป็นไว้เป็นลายลักษณอักษว่าวันนั้นเดือนนั้นอาจารย์เสนเอาไขสาวใช้ยเชิญนั้นโลกของคนนั้นคือพ่อเชิญนั้นแม่เช่ญนั้น นำจุลาวนีของพระราชามาขายไว้มเมื่อแม่ค้าเปลี่ยนกลับไปแล้วก็มีแมค่ค้าถือเอาดอกไม้อะไรมีมีแม่มค้าดอกไม้ทองถือพระอกพระอกส่วนมาลาคืออบทองนี่มีดอกไม้อยู่ในภายนอก มาร้องขายไม่คว่าไอ้กระอบที่เขาใส่ดอกไม้ทองนะ่ะแต่ถ้าว่าเอาดอกไม้ใส่ข้างนอกของอยู่ข้างในเนี่ยนี่นี่อลายไาย์ายทำมาให้เนะี่ยร้องขายที่หน้าบ้านประตูเขามาโหสดนี่แม่ค้าดอกไม้กลับไปแม่ค้าผักก็นามาก็มาใหม่แี่แม่ค้าผักใหม่ ไปก็ช่ำร้องขายแต่ถ้านานมีผ้ากําพลคุมคุมว่าแทนบรรทมเขาโบราชามาด้วยแต่แม่ค้าก็ไม่รู้นายสั่งมาแม่แม่ค้าขาบไปแม่ค้าก็โพกมาร้องขายแต่ว่าสำหรับข้างในเขาโพดก็มีฉลองพระบาททรงทำอยู่ด้วยนาวมอย สงสัยตามเดิมแล้วก็ซื้อของทุกอย่างไว้ทั้งสีอย่างโดยไม่ไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียเงินพอรับซื้อปั๊บเขายกให้เลยแล้วก็ได้วันทึกวันเดือนปีชื่อคนขายชื่อพ่อชื่อแม่ต้องคนขายทั้งหมดแล้วก็ชื่อคู่ชื่อผู้นํามาขายว่าใครเป็นคนให้นํามาขาย คนที่นามาขายนํามาขายหลุกปุกอสาหให้นหํนโกโกโกานดอกไม้ทองมาขายข้างบ้านมีส่วนนาม า, าลาอาจารย์กามินให้นําผักมาขายข้างข้างในมีผ้ากําพลคลุมผ้าผ้ากําพลคลุมพมันรมพระแทนมันทมอาจารย์เทวินให้นํำข้าวโพดมาขาย เมอไม่มีฉลองระบาทไอฉลองระบาทลืมบอกไปลูหลานที่เคยรองเท้านางนางได้นำความนั้นไปแจ้งกับมโหาสตร์แล้วก็เก็บวันทีกนั้นไว้มอโหาสตร์ได้ส่งคนออกคอยฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาในเวลาเลยครึ่งนาทีเอาอีนิดนะฝ่ายบัณฑิตทั้งสี่ได้พากันไปเฝ้าพระลาชายแล้วก็กล่าวถุนว่าขอดีชะ พระงไม่ทรงประดับพระจุลามณีหรือพระพุทธเจ้าค่าพระร า, าชาตรัสรนีจิงสินะสตาอาจารย์เราอยากจะประดับจุลามณีท่านยังไม่นำมาเป็ น, นั้นว่าลูกหลานที่รักจ๋าวันนี้ก็ดับไม่ได้ทั้งนี้เพราะอรารเพราะว่าเอิญหมดเวลาพอดีก็ต้องขอจากกนันก่อน วันหลังพบกันใหม่เข้าความสุขสวัสดิ์ที่พนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดลูกหลานลักทุกคนธรรมดาธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี